ชั้นได้พูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างเพื่อนกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราความแตกต่างที่ว่านนี้เนี่ยก็มีคนยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดสอบได้ขึ้นมาครูก็จะบอกว่าเนี่ยฉั้นสอนเขาเองแหละแม่ก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าฉันเอาใจใส่ในการเรียนของลูกส่วนพ่อก็บอกว่าเนี่ยขอเป็นลูกของชั้นนะ แต่ถ้าเกิดว่าชายคนนั้นเกิบสอบตกขึ้นมาเธอจะเป็นหญิงก็ได้นะครูก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอไม่ใส่ใจในการเรียนเธอไม่ได้เรื่องเลยส่วนแม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอไม่ฟังใครเลยเธอขี้เกียจส่วนผู้เป็นพ่อบอกเนี่ยเขาเป็นลูกของเธอนะอันนี้เป็นความแตกต่างนะ แต่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยในยามที่สอบได้เพื่อนก็จะบอกว่าเอองั้นเราไปดิ่งกันแล้วเมื่อเกิดสอบตกขึ้นมาเพื่อนคนเดียวกันก็จะบอกว่า เ, ออเราไปดิ่งกันไปดื่มกันคือไม่ว่าสอบได้หรือสอบตกผู้เป็นเพื่อนก็จะ เสมอต้นเสมอปลายสอบได้ก็ไปดื่มกันสอบตกก็ไปดื่มกันจากที่คนซึ่งเป็นครูเป็นแม่เป็นพ่อนี่ถ้าเกิดเราสอบได้ก็จะพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราสอบตกขึ้นมาเราก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็น การเชื่อในความแตกต่างระหว่างเพื่อนกับคนที่อยู่ใกล้ชิดหรามันม่าจะเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะกับทุกคนนะอันที่เขายกตัวอย่างวานนี้มันก็มีน้าเสียงของการประชดประชันอยู่บ้างหรือว่ามีการพูดให้เวอร์หรือเกินจริงสักหน่อย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็มีเขาหรือมูลแห่งความจริงอยู่เวลาคนคนนึงประสบความสำเร็จนะผูวก็ดีพ่อแม่ก็ดีแล้วก็จะชื่นชมหรือว่าอ้างเอาความดีความชอบแต่พอคนคนนึงสอบตกขึ้นมาผูวก็ดีแม่ก็ดีพ่อก็ดีจนไม่น้อยก็จะตำหนิกล่าวโทษ หรือว่าซ้ำเติมน ะ, น ะ, ะที่คนที่เป็นเพื่อนนี่ไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าสอบได้หรือสอบตกเพื่อนก็เหมือนเดิมไม่ซ้ำเติมให้กำลังใจเข้าขเข้าใจหรือว่ายอมรับ อันนี้ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่คนจนวนมากโดยภาพวัยรุ่นเนี่ยติดเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนยอมรับเข้าได้ทุกอย่างนะไม่ว่าในยามสุขในยามทุกในยามดียามร้ายหรือแม้กระทั่งในยามที่ถูกในยามที่ผิดอเดี๋ยวนี้ก็ วัยรุ่นนี้ก็ติดเพื่อนมากฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์นยมันก็เพาเหตุนี้แหละแต่ว่าเพื่อนที่เป็นอีแบบนี้ก็มีนะมันไม่ใช่ว่าเพื่อนทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนที่ชื่นชมเราเวลาเราประสบความสาเร็จหรือเอาความดีความชอบ ก็มีอยู่ไม่น้อยเวลาเราล้มเหลวเขาก็ซ้ำเติมตำหนิกล่าวโทษก็มีอยู่แต่ถ้าคนเราเนี่ยมีเพื่อนที่เขายอมรับเราทุกอย่างอย่างที่เราเป็นหรือว่าเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาไม่ว่าเราในยามที่เราสุขหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมมันก็ถือว่า โชคดีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีคนจนไม่น้อยที่จริงๆไม่ใช่แค่ครูพ่อแม่แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ไกลออกไปก็มีไม่น้อยที่ยามที่เราทำอะไรถูกใจเขาเป็นไปนอย่างที่เขาคาดหวังเขาก็ชื่นชมสรรเสริญมีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนร่วมใน ความสำเร็จของเราแต่พอเราทำาปแล้วไม่ถูกใจเขาหรือไม่เปไปที่ข้อคาดหวังก็ตำหนิกล่าวโทษหรือซ้ำเติมหรือว่าติตัวห่างที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนอื่นนะันนะในหัวของเราเนี่ยมันก็มีเสียงบน่นหรือว่า เสียงชมทำน้องนี่เหมือนกันเวลาเราทำอะไรดีถูกต้องหรือประสบความสำเร็จมันก็มีเสียงชมในหัวของเราเธอเก่ง น, นะหรือเวลาเราทำความดีมันก็มีเสียงชื่นชมนะในหัวเธอแน่นะเธอเป็นคนมีเมตตา ฉันภูมิใจในตัวเธอมากแต่พอเราเกิดทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเกิดทําผิดทําพลาดทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออย่าหรืออาจจะไม่ใช่แค่อ า, อาจจะไม่ได้ทําแค่คิดนะคิดไม่ดีมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีมันก็จะมีเสียงในหัวนะตำหนิเสียงในหัวเรานี่แหละนะเสียงตําหนิ คิดอย่างงั้นได้ยังไงหรือว่าเธอนี่แย่จริงๆเลยทําไมเธอโง่แบบนี้หรือทําไมมึงโง่แบบนี้นะี่ยบางทีก็หนักถึงขั้นว่าเนี่ยแกเป็นคนไม่มีคุณค่าเลยเลยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างนะเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไร้คุณค่ามันก็มีเสียงนี้อยู่นะ ไม่ใช่จากนอกตัวหรือจากคนอื่นนะแต่ว่าเป็นเสียงในหัวซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกแย่นะเวลาไม่มีเสียงที่วานี้ขึ้นมาเขาะเสียงในทางลบเสียงต่อว่าเสียงกล่าวโทษเสียงซ้ำเติมนทีก็ทำผิดก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนะมันก็จะมีเสียงที่มาบบยตี แกเป็นลูกกับกัตันยูแกเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องแกเป็นสิทธิ์ที่ไม่เอาไหนนะก็เลยรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะรู้สึกผิดแล้วไม่พอก็ยังรู้สึกถูกซ้ำเติมด้วยเสียงในหัวหลายคนก็เลยรู้สึกแย่บางทีก็ยิ่งจิตก็ยิ่งดิ่งลงไปในความ ทุกความเศร้าหรือการโบยตีตัวเองหนักขึ้นจนรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงในหัวของเราอีกเสียงหนึ่งนะที่ไม่ได้โจมตีไม่ได้กล่าวโทษไม่ได้ซ้ำเติมเราในเวลาที่เราทำผิดพลาดพลั้งเผลอ หรือเวลาที่เรามีความคิดไม่ดีบางอย่างเป็นเสียงของความเข้า อ, อกเข้าใจเหมือนเพื่อนนะที่ยอมรับเราทุกอย่างอย่างที่เราเป็นไม่ว่าจะคิดไม่ดีอย่างไรหรือคิดดีแค่ไหน นะเขาก็ยังเหมือนเดิมอเพื่อนแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีนะในใจของเราไอ้เพื่อนข้างนอกเนี่ยนะที่เขาเสมอต้นเสมอปลายกับเราไม่ว่าเราในยามสุขในยามทุกขนะ์ในยามรุ่งโรธหรือรุ่งริ่งเนี่ยแต่ก็ยังเสมอต้นเสมอปลาย ยอมรับเราเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเรามีอยู่รอบตัวก็ถือว่าโชคดีแต่ถึงมีแล้วก็อาจจะยังไม่พอนะมันต้องมีเพื่อนภายในด้วยเพื่อนภายในที่ไม่ใช่ชื่นชมเราหรือว่ายินดีในเวลาที่เราทำดีทำถูก หรือว่าในยามที่เราอัตตาพองโตแต่ในยามที่เราทําผิดทําพลาดในยามที่อัตตาหรือความรู้สึกมันห่อเหี่ยวเพราะว่าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าล้มเหลวไม่สําเร็จทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ใช่ทําแต่เพียงแค่คิดนะก็ไม่ซ้ําเติมนะไม่ โบยตีแต่ว่าเข้าใจสามารถจะหาเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงนะจะมีเสียงที่เข้าใจยอมรับเราอย่างที่เราเป็นได้อย่างไรสิ่งนี้มันเราสามารถที่สร้างขึ้นมาหรือทำให้มีขึ้นได้นะในใจของเราถ้าเรามีสติเนี่ยนะสตินี่เป็นเพื่อนที่ประเสริฐมากนะ โดยเพราะจะเป็นสัมมาสติเนี่ยเพราะว่าสัมมาสตินี้จะมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะก็คือการที่ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นในยามที่มีความคิดใดเกิดขึ้นแม้จะไม่ดีแม้จะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันดูน่ารังเกียจในสายตาคนอื่น เฉินความคิดร้ายความพยาบาทความอิจฉาความมิจฉาตัวหรือเมื่อะทางราคะโลภะแต่ว่าสติเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาต่อความคิดอารมณ์นั้นเนี่ยด้วยาการที่เป็นกลางไม่ใช่ว่าพอมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมันมีเสียงด่าตัวเองอยู่ข้างในหลายคนเป็นอย่างนั้นนะ ความมีความคิดไม่ดีเนี่ยมันจะมีเสียงด่าเสียงวิพากวิจารตัวเองเสียงบ่นอีกแล้วหรือเนี่ยทำไมเธอคิดร้ายแบบนี้ทำไมเธอชั่วร้ายแบบนี้หรือทำไมมึงแย่แบบนี้นะแต่ถ้ามันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งนะที่ไม่วิพากวิจาร์ไม่บ่นแต่ว่ายอมรับ ความคิดและทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางในสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นะถ้าเรานะมีสติที่เราสัมมาสติเนี่ยเพราะว่าสติเนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนมีอย่างหนึ่งนะก็คือว่ารู้ซื่อ รู้ ส, สื่อเนี่ยคือว่ารู้โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วเป็นความรู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างที่หลวงพ่อม เ, เขียนพูดว่คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนี่คือความไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันไม่ใช่แค่ว่ามีเสียงชมแล้วก็ไม่ยินดีเพลิดเพหลงไหลกับเสียงชมนั้น หรือว่ามีเสียงตำหนิก็ไม่ได้ยินร้ายหรือว่าในยามสุขก็ไม่ได้ยินดีกับความสุขที่เกิดขึ้นในยามทุกข์ก็ไม่ได้ยินร้ายกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเจอสุขมา ก, กระทบเจอสุขเวทนามากระทบก็ไม่ยินดีเจอทุกข์เวทนามากระทบหรือเกิดขึ้นหรือบีบคั้นก็ไม่ยินร้ายาสมาสติมันทำยิ่งกว่านั้นนะก็คือว่าแม้กระทั่งมันมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในใจ ความคิดไม่ดีความคิดที่เห็นแก่ตัวหรือเวลาทำผิดทำพลาดขึ้นมาเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมามันก็ไม่ใช่ซ้ำเติมให้เราสึกย่ำแย่ให้ความการรู้สึกซื่อเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ช่วยทำให้ความคิดและอารมณ์กุศลเนี่ยไม่มาครอบงำจิตเพราะว่าถ้าเรารู้ทันมันแล้วก็รู้ซื้ อ, อเมื่อไหร่หรือไม่ไปผักสายมันไม่กดข่มมันหรือไม่ไหลาตามมันไม่ปล่อยใจไหลาตามมันมันก็มีที่ผลต่อจิตใจเราได้น้อยลง จากเดียวกันเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจเราไม่ทุกข์แต่เราจะทุกข์ก็เพราะมันมีเสียงซ้ำเติมธรรมดานคนเราก็มีความคิดที่ไม่ดีเป็นธรรมดาความมีนแก่ตัวมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ทันหรือถึงรู้ทันแต่ว่าไม่รู้จักการวางใจให้เป็นกลางๆแบบรู้สื่อๆเนี่ยมันก็จะ โบยตีนะกล่นด่าตัวเองแล้วขณะเดียวกันก็พยายามที่จะไปกดข่มความคิดและอารมณ์นั้นซึ่งไม่ช่วยให้มันบรรเทาเาบาบางลงเล ย, เลยนะกลับเป็นการเพิ่มอายุมาเพิ่มพลังหรือต่ออายุให้มันนะยิ่งกดขม่มยิ่งผักสายมันก็ยิ่งมีกําลังเป็นการนะให้กําลังกับมัน แล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเป็นทุกข์นะเพราะว่าการโบยตีซ้ำเติมตัวเองอเดยพราะถ้ามันเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาว่าเราคิดแบบนั้นได้อย่างไรเราทำแบบนั้นได้ยังไงหลายคนเนี่ยไม่รู้จักจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ วพานั้นก็เลยถูกความรู้สึกผิดเนี่ยมันซ้ำเติมหลอกล้อนแล้วขณะเดียวกันในกา ร, ก, ารกลดา่าซ้ำเติมตัวมันก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์หนักขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะเผลอทำไม่ดีกับผู้มีพระคุณพ่อแม่อาจจะด่าว่าท่านหรือใช้ ขึ้นเสียงแรงๆกับท่านเพราะว่าท่านไม่ได้เชื่อฟังเราไม่รู้จักดูแลตัวเองอย่างที่เราแนะนำหรือบางทีก็อาจจะลาคาญที่ท่านมาจูจีขี้บน่นะก็เลยตวาดไปพอตวอาดไปแล้วก็เสียใจรู้สึกผิดเสร็จ แ, แล้วก็มีเสียงซ้าเติมตัวเอง ซึงทำให้แย่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเรามีสตินะที่เป็นสัมมาสติเนี่ยมันก็ทำให้เราจัดรับมือกับในความรู้สึกที่ว่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็คือว่าก็แค่รู้สื่อๆยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับด้วยการด้วยการวางใจเป็นกลาง แล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดอย่างเดียวนะบางทีมันมีอารมณ์อย่างอื่นขึ้นมาเช่นความเบื่อนะความรู้สึกว่างเปล่าวความรู้สึกงอยความรู้สึกหอเหี่ยวซึ่งหาสาเหตุไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันมันไม่พอให้มันครอบงำใจนอกจากรู้ทันแล้วก็ยังรู้ซื่อๆก็คือว่าไม่ไปกดข่มมัน แค่ดูมันยอมรับมันแล้วก็ไม่บุยตีตัวเองเลวยนะว่าฉันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฉันมีความสึกแบบนี้ได้ยังไงช่วิตฉันมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ท, ทำไมฉันยังห่อเหี่ยวทันยังรู้สึกว่างเปล่าหรือว่ารู้สึกไร้คุณค่านะแต่ถ้าเรายอมรับมันนะ เหมือนกับเพื่อนที่ยอมรับเราอย่างทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ลุกลามและช่วยทําให้เราสามารถจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นธรรมดาของใจเนี่ยนะมันเวลามันมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าไม่มีสติ ม, มีความสึกตัวนะมันก็จะไปผักใสาอารมณ์นั้นความโกรธ ก, ก็ดีความเกลียด ก, ก็ดีความรู้สึกผิดก็ดีแล้วมันก็กดข่มไม่พอมันก็มีเสียงตําหนิเสียงต่อว่าอันนี้ก็เป็นเพราะความติดดีเถอะนะหลายคนเนี่ยติดดีติดดีก็คือไม่ยอมให้ หรือยอมรับไม่ได้ที่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นพอมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นหรือว่าพอทาผิดทำพลาดก็พยายามปฏิเสธหรือทาไมปฏิหรือปฏิเสธไม่พอก็ต้องอกลดา่านะบนโวยทีตัวเองซึ่งทำให้เป็นทุกข์มาก บางคนเนี่ยไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยนะไม่ได้ต่อว่าพ่อแม่ไม่ได้ขึ้นเสียงพ่อแม่ต่อว่าพ่อแม่แต่มันมีเพียงแค่คิดไม่ดีกับท่านมีหลายคนที่ทุกข์ทรมานมากนะเพราะว่ามีความคิดไม่ดีกับท่านถึงแม้จะไม่ได้พูดออกไปแต่แค่คิดไม่ดีก็ทำให้เป็นทุกข์มาก พอมันมีเสียงต่อว่าตัวเองในใจว่าเธอเป็นคนไม่ดีแกเป็นคนอกตัญญูจะคิดไม่ดีกับพ่อแม่ได้ยังไงแล้วบางทีมีเสียงจ่วงจาบนะครูบาอาจารย์บางทีเสียงจ่วงจาบพระตนัทไตรก็มีนะหลายคนนี่เป็นทุกข์มากที่มันมีเสียงอย่างนี้อยู่ในหัวแล้วก็ยอมรับที่ตัวเองมีความคิดแบบนี้ไม่ได้ หรือยอมรับไม่ได้ที่มันมีความคิดแบบนี้ในหัวของตัวก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกมีการซ้าเติมตัวเองบยตีตัวเองจนกระทั่งบางคนเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายฉันไม่อยากอยู่แล้วเพราะฉันเลวเหลือเกินอันนี้เพราะว่ามันขาดสิ่งที่เราสามารถสติที่จะช่วยทำให้รับรู้หรือยอมรับ ความคิดและอารมณ์ต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ตัดสินนะหรือว่าไม่ผักใสไม่ไหลาตามเราควรจะมีสัมมาสติเนี่ยช่วยรักษาใจนะพราะไมนเนี่ยจะทุกข์มากสัมมาสติมันจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนภายในใจเป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะที่จะไม่ซ้ําเติมตัว ตัวเราในยามที่ทำผิดทำพลาดหรือว่าในยามที่คิดไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ปนเปรืหรือว่ายุยงส่งเสริมพอถ้ายุยงส่งเสริมมันก็ไม่ใช่นะเป็นการรู้สื่ อ, อหรือวางใจที่เป็นกลาง มันเป็นความสามารถในการที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นได้แล้ถ้าเรายอมรับตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นเนี่ยแม้ว่าจะมีความไม่ดีมีความผิดพลาดยังไงเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเริ่มต้นใหม่ไม่ไม่จมปรับอยู่กับความผิดพลาดในอดีแตแล้วมันทำให้พลังไฟบวกเนี่ยสามารถที่จะเติบโตงอก ง, งามขึ้นมาในใจแล้วก็ ช่วยทําให้เราเนี่ยทําสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องไอ้ที่พลาดไปแล้วเราก็ไม่ทําอีกหรือไม่ก็สามารถจะแก้ไขให้มันถูกต้องได้แต่ไม่มาตีอกชคหัวหรือว่าโบยตีตัวเองไม่ต้องมีเพื่อนแบบนี้ในใจของเรานะไม่ใช่ว่าจะหวังแต่เพื่อนข้างนอกที่เขายอมรับอย่างที่เราเป็นได้ในทุกกรณี แต่ว่าเราต้องมีเพื่อนในใจนะที่ทำให้เราสามารถจะยอมรับทุกความคิดทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจหรือไม่เป็นทุกข์เพราะมันเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมดาในที่จริงถ้าเรามีสัมมาสติดีพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะใอ้ความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีเนะี่ยให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ เพราะมัทำให้เรารู้จักตัวเองทําให้เรารู้เท่าทันกิเลสทาให้เราไม่ไม่ไม่หลงประมาทตัวเองว่าฉันดีพร้อมทําให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งช่วยทําให้เกิดความระมัดระวังในการไม่ปล่อยใจให้อารมณ์โผนี้ครอบงำให้เราต้องหานะหาเพื่อน ที่ดีกลางใจของเราเพื่อนที่วานเนื้อคือสัมมาสติต้องรู้จักพัฒนาความสามารถในการที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจด้วยความสึกที่เป็นกลางได้และ่งนี้มัช่วยทําให้ความรู้สึกลบหรือความคิดลบๆเนี้ยนอกจากไม่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วยังไม่สามารถจะบงการให้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้